ความทุกข์บางครั้งเนี่ยจะจดจำอะไรได้มากมายหรือระลึกถึงสิ่งต่างๆได้เยอะแยะอย่างเช่นคนที่กำลังโกรธเนี่ยใครพูดอะไรกับเขาใครทำอะไรกับเขาเนี่เขาจะจำได้แม่นหรือมิฉะนั้นก็ระลึกถึงเหตุการณ์ทำนองเดียวกัน ที่เคยเกิดขึ้นกับเขาหลงทองการกระทำและคำพูดของคนคนนั้นในอดีตก็จะหัวเราะลึกนึกมาได้มากมายเช่นเดียวกันคนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเขาก็จะจำเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้โศกเศร้าได้มากมายหรือบางทีก็ ไปยอ้อลระลึกนึกถึงเหตุการณ์ทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียของรักหรือสูญเสียคนรักเรียกว่ามันขุดคุยอะไรต่ออะไรเข้ามาปรากฏต่อการรับรู้แต่ในขณะที่ความจำในหลายเรื่องหรือการระลึกได้ในหลายอย่างนี มันทำได้ดีนะแต่ว่าเกือบร้อยท่องร้อยก็มักจะลืมบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่ลืมตัวเท่านั้นนะแต่ว่ายังลืมธรรมะด้วยไอ้ลืมตัวนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะเวลาจมอยู่ในความโศกความเศร้าความโกรธความเครียดเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวไปเลย แต่ว่าถ้ายัางระลึกถึงธรรมะได้นี่มันก็ จ, จะช่วยทำให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้ไวขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยทั้งร้อยนี่ก็ลืมธรรมะทั้งๆ ท, ที่เป็นคนที่สนใจธรรมะศึกษาเรียนรู้ แดยูด่ในฟังมามากอ่านก็เยอะพระไตรปิฎกคำสอนครูบาจารย์หรือได้ฟังคำเทศนาของหลวงพ่อหลวงตาหลายรูปแต่พอเวลาทุกเนี่ยนะมันลืมไปเลยนะธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็น คำสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิตที่เราเรียกว่าสัจธรรมเป็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมีแล้วก็หายไปหรือว่าได้มาแล้วก็เสียไปมีพบก็มีพลาคมีเจอก็มีจากหรือเรียกง่ายว่อาอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนซึ่งก็ ควบคูกับความทุกข์หรือความเสื่อมสลายซึ่งเป็นอ น, นิจจังไฟลบถ้าว่าเราลึกนึกถึงบ้างเนี่ยมันก็กทำให้ได้สติขึ้นมาเนะเออมันก็เป็นธรรมดานะในความสูญเสียมันก็ทำให้ทำใจยอมรับได้คนที่เคยยึดมั่นถือมั่นก็ ช่วยให้ใจนี้ปล่อยวางลงดี๋ยวไม่ต้องระลึกถึงธรรมะในระดับที่เรียกว่าอนัตตาก็ได้นะแค่อ น, นิจจังหรือว่าทุกขังนี่มันก็ช่วยเตือนสติให้เรายอนรับความจริงได้ไม่ว่าจะทุกข์เพราะเกี่ยวข้องทุกข์เพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองหรือทุกข์เพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายเฉ่นความเจ็บความป่วยความแก่ชารา หรือเพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนผลสอบไม่ได้ดังใจหรือว่าผลงานมันไม่เป็นแบบที่คาดหวังพอเราเลึกถึงสัจธรรมความจริงเมันก็ช่วยทำให้คลายความทุกข์คลายความเศร้าโศกคลายความ แคนเคืองได้โดยเพราะความจริงชื่เรเรียกว่าโลกธรรมแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสารสรืก็มีดินทาไม่มีใครที่จะได้รับคำสารสรืออย่างเดียวมันก็ต้องตามมาด้วยการดินทาว่าร้ายการต่อว่าด่าทอแม้แต่ ผู้ที่ประเสริฐที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยองหนีไม่พ้นนะคำดินทาว่าร้ายหรือหนักก็นั้นคือคำใส่ร้ายนะเนี่ยพระเจ้านี่ก็โดนหนักมากนะาว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าค น, นทั้งที่แม้แต่คิดเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีเลยนะในจิตใจ อย่างที่พรอมีกล่าวว่าเนี่ยเราเงียบเขาก็นินทาเราพูดมากเขาก็นินทาเราพูดน้อยเขาก็นินทาไม่ว่าทําอะไรนะก็ถูกนินทาหรือว่าร้ายทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาลโลกนะที่เราเรียกว่าโลกธรรมก็จะเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะที่มันแตกแขนงมาจากอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนื่เกิดว่าเราเลืกถึงธรรม ที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ได้สติขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็ลืมนะลืมนึกถึงไปเลยนะแล้วก็ทำอีกอย่างที่ลืมไม่ได้ระลึกนึกถึงเลยนะก็คือคำสอนหรือข้อพึงปฏิบัติในยามที่เกิดทุกข์เช่นเวลากโกรธนะ เวลาโมโ ห, โหก็รู้อยู่นะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรครูบาอาจารย์สอนว่าอะไรสนะอนให้มีความอดกลั้นสอนให้ไม่รู้แกโทสะอย่างน้อยก็ไม่หลุดปากด่าว่าหรือว่าลงมือทำร้าย หรือว่าแก้แค้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เราเรียกว่าจริยธรรมนะนธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยถาจะว่าลอ า, าจะว่าไปหลักๆก็มีสศัจธรรมกับจริยธรรมสัจธรรมเป็นเรื่องความจริงนะที่ช่วยเตือนสติเราได้ในเวลาที่เกิดทุกข์จริยธรรมก็คือข้อปฏิบัติที่ช่วยทำให้เราไม่ จมอยู่ในความทุกข์หรือว่าไม่ถูกทุกกระทำย่ำดีหรือว่าถูกกิเลสอารมณ์อกุศลครอบงำชักนำหรือบงการเราไปในทางที่เสียหายอย่างเช่นความโกรธเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันคลองใจมันก็พาเราเข้ารกเข้าพงหรือก่อความเสียหายแต่ถ้าเรา และเลิกถึงธรรมะที่เป็นคำสอนของพอระพุทธเจ้าหรือคำสอนครูบาอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรอย่างเช่นบางทีก็มีครูบาอาจารย์ท่านสอนเตือนว่าเนี่ยให้เห็นโทษของความโกโรธนะโกโรธคืองโง่โมโหคือบ้าถ้าเราลึกได้เช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจเกิดขันติความอดทนหรือว่า เปิดช่องให้สติได้มาทำงานหรื อ, อที่ครูบาอาจารย์นั่นสอนว่าให้อย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปนะอย่าเพิ่งทำอะไรลงไปนะให้ตั้งสติให้ดีถ้าเราลึกแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรในการที่ป้องกันไม่ให้ความ ทุกเช่นความโกรธมาเล่นงานจิตใจความเศร้าก็เหมือนกันน ะ, ะเวลามันมีความเศร้าเกิดขึ้นเพราะความพัาดพลาดสูญเสียนอกจากระลึกถึงสัจธรรมว่าเนี่ยอะไรแลมก็ไม่เที่ยงความพัดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาอย่างที่เราสวดกันอยู่บนะ่อยๆบพอภินปาปจเวกเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มเพลินความแก่เป็นไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะรวมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นความรู้สึกใส่ใจแบบนี้มาทําให้อยอมรับความจริงได้ว่าการสูญเสียเป็นธรรมดามก็คลายความเศร้าโศกหรือว่าเราลึกถึงจริยธรรมหรือคําสอนที่พึงปฏิบัติว่า อย่าไปจมอยู่ในความเศร้าความโศกนะให้พยายามกลับมาเห็นนะความเศร้าที่มันเกิดขึ้นอย่าเข้าไปเป็นหรือว่าให้รู้จักนะ อ, อ, อ, อยันขยับทำอะไรอย่าไปอยู่นิ่งปล่อยใจให้มันจมอยู่ความเศร้าเพราะการเจา้าจับเจา้าหรือ อยู่นิ่งให้ความโกกความเศร้ามันแผดซ่านครองมงำจิตใจแม้พอเราเลืแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้จักวิธีที่จะรับมือกับมันหรือนอน้อยเนี่ยนะก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวหรือว่าตัวที่กําลังเดินทันทีที่ กลับมารู้กายนะมันก็ช่วยทำให้วางเรื่องราวที่ทำให้เศร้าทำให้โศกหรือเรื่องที่ทำให้โกรธทำให้แค้นมันก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึง่ง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยเวลามีความทุกเนี่ยนะมันจะจดจาหรือแล้วนึกถึงอะไรได้มากมายนะแต่สิ่งที่ลืมไปเลยนะก็คือธรรมะ แม้จะเรียนมาเยอะแม้จะได้ยินมามากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนนะส่วนใหญ่ใจมันก็ส่งจิตออกนอกเช่นเวลาโกรธเนี่ยมันก็พุ่งออกไปนะอย่างเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลหรือการกระทําและคําพูดของเขาที่มันทําให้โกรธแล้วก็มุ่งหมายที่จะตอบโต้แก้แค้น แล้วมันมีแต่เหตุผลนะที่จะชักนำให้เราทำอย่างนั้นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหลายคนนะเวลาโกรธเนี่ยหักห้ามใจไม่ได้ตอนนั้นที่อาจจะมีการเตือนสตินะว่าอ ย, อย่าพูดไปนะอย่าทำอะไรลงไปแต่มันก็มีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าเนี่ยขอให้กูได้ด่าจะเป็นหมาก็ยอมเน มันมีเสียงแบบนี้ขึ้นมาในหัวนะขอให้กูได้ด่าจะติดคุกก็ยอมมันเป็นเหตุผลนะของกิเลส ท, ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยนะเผลอพลัง้งแล้วก็ทำอะไรที่ทำให้เดือดร้อนใจในภายหลังที่จริงในเวลาเดียวกับที่มันมีเสียงของกิเลสหรือเสียงของโทสะมายุยแยววเนี่ย ขอให้ได้ด่านะจะเป็นหมาก็ยอมหรือขอให้ได้ทำร้ายมันนะจะติดคุกติดตารางก็ยอมเนี่ยมันก็มีเสียงหนึ่งนะดังขึ้นมาในหัวของเราเนะว่าอย่าทำอย่าทำนะโกคืองโง่โมโหคือบ้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะที่จะฟังเสียงของเหตุผลฝ่ายธรรมะมันจะฟังแต่เสียงของ เหตุผลฝ่ายธรรมนะทั้งๆที่ในเวลาปกติเนี่ยนะก็สอนธรรมอธิบายธรรมหรือว่าแนะนำคนให้มีธรรมะได้มากมายพอแม่ก็สอนลูกนะให้มีความอดทนมีความยั่งยัง่งช่างใจให้มีสติให้มีความระลึกได้ครูบาอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ <c oughs> ให้มีสตินะ อย่าวูวามอย่าปุ้นพันได้พรเราะะตัวเองนะเจอเข้ากับตัวเนี่ยหรือเป็น s e เองเนี่ยนะไอเสียงของธรรมะเนี่ยแม้จะดังแต่ว่าไม่สนใจนะกลับไปเชื่อทำตามเสียงของอาจ ร, รมหรืออกุศลแล้วมันก็เชื่อได้นะหมายถึงว่าแมันก็ยอมเชื่อนะ ในเสียงที่ว่าเนี่ยขอให้ได้ด่าจะเป็นหมาก็ยอมหรือขอให้ได้ทาร้ายมันจะติดคุกติดตารางก็ยอมมันไม่มีเห็นไม่มีผลเลยนะแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เชื่อและพอทําเข้าไปจริงๆเนี่ยก็มาเสียใจนะอูไม่น่าพูดเลยหรือไม่น่าทาร้ายเ้าเลย ตอนนี้ใครถ้าใครมาว่าเป็นหมานี่จะไม่ยอมเลยถูกใครว่าว่าเป็นหมานี่จะโกรธมากเลยหรือว่าพอถึงใครจ่ต้องติดคุกติดตารางนี่โอก็ดิลล์หลนไม่ยอมจะต้องพยายามสู้ทุกวิธีทางจะต้องยัดเงินให้ตำรวจก็เอานะเพื่อได้ไม่ติดคุกติดตลาดทั้งทั้งที่ไอตอนตอนที่โกรธนี่นะหน้ามืดนี่นะขอยได้ด่าขอยทําร้าย ติดคุกกูก็ยอมขอให้ได้ด่าเป็นหมากูก็ยอมนะเรียกว่ายอมเต็มที่เลยนะยอมขอให้ได้ทำตามที่โกรธทำตามที่โทสามันว่าพอพอถึงเวลาทาเวลานี่ไม่ยอมแล้วใครมาว่ากูเป็นหมากูไม่ยอมใครถ้าต้องติดคุกติดต็ลางก็ไม่ยอมเด็กข่าม้็มันเป็นอย่างนี้นะ เนี่ยทั้งหลากันนะเวลาเศร้าเนี่ยนะเวลาเศร้านะคนเราเวลาเศร้ามากๆเนี่ยมันก็เรียกว่างอมืออ่าเท้านะหมดอะไรตาอยากกับชีวิตนะไม่อยากทําอะไรอยากจะนั่งเจ้าจุกอยู่อย่างนั้นแหละเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจนะจะกวาดบ้านทําความสะอาดก็ไม่สนใจปล่อยให้ขยะนะเกลื่อนบ้าน มันก็มีเสียงนะบอกว่าเนี่ยให้ลุกขึ้นมานะอย่าเจ้าจุกนะให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่าปล่อยใจจมอยู่กับความเศร้ามันมีเสียงที่จะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าตัวความเศร้าเนี่ยมันจะไม่ยอมนะมันจะบอกเราว่าอย่าทำอย่าลุกนั่งแช่อ ย, อยู่งั้นแหละนะ บางคนเนี่ยกินนอนเดี๋ยวว่าแต่ น, นอนเลยกินเนี่ยก็กินอยู่บนเตียงอยู่บนเตียงทั้งวันจงกระทั่งห้องนอนนี่มันเป็มไปด้วยขยะนะเพราะว่าทาอย่างนั้นเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนทั้งที่เป็นคนที่รักสะอาดเป็นคนที่มีระเบียบแต่พอสูญเสียคนรัอกอกหาขึ้นมานี่มันไม่มีเรี่ยวแรงหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนะจงกท่านต้องมี อาชีพหนึ่งนะอาชีปรับจัดบ้านนะเดีย๋ยวนี้มีคนที่มีอาชีปรับจัดบ้านเดยเพราะบริการให้กับคนที่มีความโศกเศร้าหรือว่ามีความซึมเศร้านะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเจะทิ้งบ้านเนี่ยปล่อยบ้านทั้งหลังเลยนะไม่ใช่เฉพาะห้องนอนใี้มันอิเลเ็กเท็ดครับ ต้องมีคนมาช่วยจัดให้บ้านนี่ดูสะอาดเป็นระเบียบจะช่วยทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นในยามกโกรธนี่นะในกิเลสนี่หรือโทสะมันจะผลักให้เราทำนั่นทำนี่ในขณะที่ฝ่ายธรรมเนี่ยจะพยายามยั้งไม่ให้เราทำนะให้อยู่นิ่งๆไม่หลุดปากดาวไปในทางตรงข้ามเวลาเศร้านี่นะไอ้ความเศร้านี่มันจะฉุดให้เรา แน่นิ่งเจ้าจุบไม่ขยับขยื่นขณะที่ธรรมะเนี่ยหรือว่าเสียงแห่งสติเสียงแห่งความรู้สึกตัวมันจะพยายามผลักให้เราลุกขึ้นมาขยับทำนั่นทำนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมฟังเสียงของสติเสียงของธรรมะแต่ว่าหลงเชื่อทำตามเสียงของกิเลสหรือเสียงของอกุศล เพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาในเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะมันจำเป็นมากเลยนะที่เร า, าต้องรละลึกถึงทำให้ได้นะแล้วก็พยายามที่จ ะ, ะขยื่นขยับหรือทำตามเสียงของธรรมนั้นแทนที่จะเอาแต่ส่งจิตออกนอกหรือว่าปล่อยใจไปอยู่กับอดีต ไปจมอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะคือมาถึงการที่เราจะระลึกถึงธรรมในยามที่เป็นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากในยามที่เรามีความสุขนะในยามที่เรามีความสุขเราก็นึกถึงธรรมก็เช่นเดียวกันนะคนเวลามีความสุขไม่ค่อยนึกถึงธรรมเท่าไหร่เพราะว่ามันเพลินกับความสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทองที่เกิดจาก สิ่งเราสิ่งกระตุ้นจากชื่อเสียงจากคําสรรเสริญจากความสําเร็จมันก็หลงคิดว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสารณะของชีวิตไม่คิดเลยนะว่าธรรมะนี่มันจะมีประโยชน์อย่างไรกลับคิดไปว่าเนี่ยคนที่สนใจธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นคนทุกข์ไอ้คนที่มีความสุขอย่างเราเนี่ยมันจะทําไมต้อง มานึกถึงธรรมะหรือปฏิบัติธรรมอย่างเวลาเห็นเพื่อนมาปฏิบัติธรรมย่างน้ถามว่าเธอทุกเรื่องอะไรนคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เวลาสุขเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงธรรมทันเวลาทุกเนี่ยก็ไม่อาจนึกถึงธรรมได้ทั้งทั้งที่บางคนนี่ก็อาจจะคิดว่าเออธรรมะนี่มันจะช่วยเราได้นะแต่มันนึกไม่ออกนะเวลาทุกข์ เพราะว่าถูกอารมณ์เอาคุณสมันท่วมทับอยากจะนึกนึกไม่ออกจิตมันคิดแต่จะส่งออกนอกอย่างสถานเดียวไม่กลับมาตามดูรู้นะรู้ทันความคิดและอารมณ์หรือกลับมารู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เพราะว่าตอนเวลาที่มีความสุขเนี่ยมันก็เพลินไปกับความสุขไม่นึกถึงธรรมะเลยนึกถึงยังไงนะถึงธรรมะก็คือนึกว่าเนี่ยเราลกว่าเนี่ย ไอ้สุกมันก็ไม่เที่ยงนะสุขเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะความสำเร็จชื่อเสียงนะหรือว่าเงินทองพวกนี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเราอาจจะเป็นของชั่วคราวก็ได้มาแล้วก็หมดนะขึ้นแล้วก็ลงถ้าคนเรานึกถึงธรรมะในแง่นี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่เพลินกับความสุขมาก ไ ม, ม่มันจะเป็นความร่ารวยหรือความสำเร็จเวลาใครชมก็ไม่เหลืองเนะพราะรู้ว่าวันนี้ชมพรุ่งนี้อาจจะเจอคาตาหนิซึ่งอาจจะมาจากปากของคนคนเดียวกันที่ชมเรานะวันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ได้พอเราทำถูกใจเขาเขาก็ชมพอเราทำไม่ถูกใจเขา แม้ถูกต้องเนะขาก็ว่านะหรือถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ต้องถูกต้องตามแบบของเขาพอไม่ถูกต้องทำแบบของเขาเาก็กลายเป็นว่าการกระทาของเราไม่ถูกใจเขาเขาก็ว่างั้นะถ้าเราลึกแบบนีน้มันก็ไม่ไม่ไม่หลงเพลินนะไปกับคำชื่นชมสารเสริญคนเราเนี่ยถ้าเอา ชีวิตหรือความสุขเราไปผูกพันกับคําชื่นชมสารเสริญนี่มันแย่นะมันมีอาชีพแลาอาชีพเลยที่ชีวิตเนี่ยหรือความสาเร็จเนี่ยผูกพันอยู่กับคําชื่นชมสารเสริญหรือที่สมัยนี้เรียกว่าเรตติง้งเช่นดารานะดาราเนี่ยเขาจะก็จะมีรายได้ดีนะหรือประสบความสาเร็จก็ต่อเมื่อมีเรตติ้งสูงนะ เรตติ้งก็คือความนิยมนั่นแหละเบางความนิยมตกนี่แย่แล้วบางคนทําใจไม่ได้ค่าตัวตายนักการเมืองก็เป็นอาชีพหนึ่งเลยที่ชีวิตเนี่ยมันต้องผูกพันกับคะแนนเสียงก็เป็นเรตติ้งอีกแบบหนึ่งหรือความนิยมอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเอาความสุขของตัวไปผูกพันกับคะแนนเสียงนี่จะทุกข์มากเลย มีนักการเมืองจํานวนมากมีความทุกความเสียใจท่านังที่ทุ่มเทเพื่อชาวบ้านนะแต่ว่าชาวบ้านไม่เลือกไ้เป็นเพราะว่าผู้แข่งก็ให้เงินมากกว่าเรานี่ก็คงให้เหมือนกันแต่ว่าให้น้อยเขาก็เลยไม่เลือกเราพอไม่เลือกเราก็เกิดความเสียใจว่าทําไมนะเขาไม่เลือกเราเราทุ่มเทให้เขาเวลา เขาไม่เลือกเรานี่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยถูกเขาตบหน้าหรือถูกเขาปฏิเสธคนเราเวลาถูกปฏิเสธนี่มันเจ็บปวดนะโดยเถ้าะมีความยึดติดถือมั่นในตัวกูมากนี่ ย, ยึดติดในหน้าตา ม, มักเนี่ยถูกปฏิเสธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราที่รู้สึกว่าแฟนๆปฏิเสธหรือว่านักการเมืองที่รู้สึกว่าประชาชนปฏิเสธหรือว่า สมัยนี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่รู้สึกว่าคนไม่สนใจแล้วยอดวิวตกฟอลโลเออร์น้อยลงวันนี้ทุกมากเลยเพราะช่วยข้อไปผูกพันนะอยู่กับอ่าเรตติ้งแต่ถ้าเก้าระลึกอยู่เสมอว่าไอตอนที่เรตติ้งกระชูดความนิยมพุ่งเนี่ยนะเตือนใจว่ามันก็ไม่เที่ยงอย่าไปดินดีกับมันมาก ถ้าวางใจแบบนี้ถึงเวลาที่เรตติ้งตกความนิยมนะตกลงนะหรือคะแนนเสียงได้น้อยมันก็ไม่ทุกนะอันนี้เพราะว่าในยามสุขในยามสำเร็จเนี่ยนะก็ไม่ได้หลงไม่ได้เพลินแล้รเลิกนึกถึงธรรมะอยู่เสมอโดยเพราะนักธรรมะที่ชื่อว่าอนิจจังนะหรือว่าอนัตตาเนะี่ย ้เช่นเดียวกันเวลาสุขภาพดีเนี่ยนะเวลามีกำลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วยนะหายใจได้คล่องนะหรือว่ากินอะไรได้นะไม่ติดขัดก็ให้ระกอยู่เสมอเนะอันนี้มันเป็นของชั่วคราวนะมันไม่เที่ยงนะเนะตือนใจตัวอยู่เสมอด้วยธรรมะที่ชื่อว่าอนิจจังนะถึงเวลามันเจ็บป่วยถึงเวลาที่กำลังวังชาลดน้อยทองลงหรือถึงเวลาที่ เอาวิวัฒนร่างกายบางอย่างมันไม่ทํางานได้เหมือนเมื่อก่อ น, นก็ไม่ทุกข์นะถึงเวลานั้นก็ไม่ตีไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายและนั่นแหละจะทําให้ในยามทุกข์เนี่ยเราจะนึกถึงธรรมะได้นะไม่ใช่ว่าในยามสุขไม่นึกถึงธรรมะแล้วจะหวังว่าเวลาทุกข์นี่จะนึกถึงธรรมะธรรมะจะช่วยเราเมันมันไม่ได้เอาข้างจริงก็นึกไม่ออกเลยนะ ครูบาอาจารย์พูดอะไรก็นึกไม่ออกนะเวลาโกรธมันคิดแต่จะด่าว่าคิดแต่จะตอบโต้จริงๆงอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์นะซึ่งอยู่ไกลเลยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเช่นลูกนะหรือว่าสามีภรรยาจะห้ามว่าอย่าทำอย่าทำก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าเนี่ยกูยตายหรือกูติดตคุกติดตารางกูก็ยอมคอยได้ด่าก็แล้วกัน อันนี้มันเรียกว่าลืมตัวเนีพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นธาตุของกิเลสได้ง่ายแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะในยามทุกเนี่ยเราเรารู้ถึงธรรมะแม้ว่าในยามสุขเราจะหลงลืมไปแต่ว่าในยามทุกขนึกถึงธรรมะโดยเพราะถ้ามีครูบาอาจารย์แนะนํามาก็ตุ้นเตือนอย่างในสารพุทธการมีหลายท่านนะที่ท่านบรรลุธรรมเพราะว่าได้ ฟังคําชี้แนะตักเตือนหรือเตือนสติจากพระหระหันหรือครูบาอาจารย์ก็ทําให้มีดวงตาเห็นธรรมจนบางท่านนี่ถึงกับบรรลุอรหัตผลก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามทุกเนี่ยคอยเตือนเตือนอยู่เสมอเนะี่ให้ระลึกถึงธทำเอาไว้แต่ว่าใกล้ถึงตรงนั้นเนี่ยในยามสุขในยามที่ชีวิเป็นปกติก็ให้ระลึกถึงนึกถึงธรรมอยู่ บ, บ่อย แล้วถ้าให้ดีเนี่ยไม่ใช่นึกอย่างเดียวปฏิบัติด้วยนะเดี๋ยวเพราะการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยนะอย่าไปรอให้ทุกข์อย่าไปรอให้เจ็บป่วยอย่าไปรอให้สูญเสียแล้วค่อยมาสนใจคมีคนขมันนะปฏิบัติทำมันอาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้